แถวนี้ผีดุผีฝรั่งสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไปพักที่ต่างถิ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องตอนที่ผมทำงานกับบริษัทส่งออกแห่งหนึ่งในประเทศผมติดตามหัวหน้าไปประชุมที่โรงแรมติดทะเลแห่งหนึ่งโดยปกติผมเป็นคนมีเซนส์นพอสมควรบางก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ แ, แต่ไม่เคยเจอครั้งไหนที่แปลกเท่าครั้งนี้ โรงแรมนั้นอยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวที่สวยมากๆในเมืองพัทยาคืนนั้นผมกับหัวหน้าประชุมเสร็จแล้วก็ไปหากสรสรางตาม Walking s t ตร e t สถานที่เที่ยวสุดฮิตของพัทยาตามประสานักท่องเที่ยวประมาณเที่ยงคืนนิดๆจึงกลับมานอนที่โรงแรมพวกเราอยู่นานกว่านั้นไม่ได้เพราะความเหนื่อยล้าจากการประชุมในตอนกลางวันหัวหน้าผมอาบน้ำแลวหลับไปอย่างรวดเร็วส่วนผมยืนคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ดีมระเบียง คุยไปสักพักก็ได้ยินเสียงตะโกนบอกเหวีพร้อมเสียงเพลงเหมือนเสียงปาร์ตี้จากริมหาดดังแว่วเข้ามาและเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผมเห็นสภาพและไม่น่าจะคุยกับแฟนต่อได้เนื่องจากเสียงรบกวนจากหาดเลยบอกลาแฟนและกลับเข้าห้องไปเพื่อจะเตรียมตัวอาบน้ําขณะที่ผมอาบน้ําอยู่นั้นผมได้ยินเสียงเปิดประตูดังมาจากนอกห้องน้ําหัวหน้าคงตื่นแล้วหรืออาจจะเรียกรุมเซอร์วิสมากระมังแต่สักพักผมได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ มีเสียงผู้ใหญ่ผู้ชายกับผู้ใหญ่ผู้หญิงผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อกับแม่และลูกๆอีกหลายคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงดังมาจากที่ใดหรืออาจเป็นเพราะพิษแอลกอฮอล์ที่ผมดื่มไปในคืนนั้นผมอาบน้ำเสร็จแล้วออกจากห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนหัวหน้ายังคงหลับสนิทผมนอนหลับตาแต่ยังนอนไม่หลับในหัวผมรู้สึกไม่ได้ยินเสียงภาษาอังกฤษดังขึ้นเรื่อยๆซ้าไปซ้ามา เป็นเรื่องราวการทะเลาะ ก, กันของสา ม, มีภรรยาคู่หนึ่งที่ว่าจะทานอาหารกลางวันที่ร้านริมหาดหรือจะสั่งรูมเซอร์วิสขึ้นมาทานบนห้องเสียงทะเลาะดามวนไปเรื่อยเริ่มจากการพูดคุยกันเรื่องอาหารกลางวันจนทะเลาะ ก, กันจนจบที่ทั้งคู่ดีกันและออกจากห้องไปจากนั้นก็วนกลับมาคุยเรื่องอาหารกลางวันไปเรื่อยๆคล้ายกับว่าเป็นการฉายภาพซ้ำไปเรื่อยเรืผมไม่ใส่ใจมากนะักเพราะเสียงแบบนี้ผมก็เคยได้ยินบ่อย จะว่าผมไม่ค่อมีเซนส์ก็อาจจะใช่จนกระทั่งเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนผมไม่สามารถทนได้อีกต่อไปผมจึงเริ่มเกิดความคิดที่จะไล่ครอบครัวสิ่งไม่มีชีวิตนี้ออกไปจากห้องของผมเสียงจึงอ้าปากตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงผมค่อยๆพยายามลืมตาเงาดำๆร่างหนึ่งคืบขึ้นมาบนตัวผมเรื่อยๆร่างนั้นไม่สูงมากน้ำหนักประมาณเด็กประถมคนหนึ่งได้พลันมีเสียงหัวเราะคิกๆที่ข้างหู เป็นเสียงเด็กผู้ชายอายุน่าจะไม่เกินสิบขวบดวงตากรมโตแต่สีหน้าซีดขาวผมถึงได้รู้ว่าโดนเล่นเข้าแล้วไงผมพยายามสวดมนต์ทุกบทที่ผมรู้จักอยู่ในใจเพื่อให้หลุดจากเด็กที่ทับผมอยู่แต่ก็ไม่หลุดสักทีผมเริ่มหายใจติดขัดขึ้นเรื่อยๆผมพยายามระลึกบทสวดภาษาอังกฤษทุกบทที่ผมเคยเรียนมาจากโรงเรียนประถมแล้วเริ่มสวดบทหนึ่งสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ ผมสวดติดๆขัดๆแต่น้ำหนักที่อยู่เป็นตัวผมเริ่มหายไป ช, ช้าๆจนผมเริ่มหลับลงในที่สุดไม่นานนักกลิ่นเหม็นที่คลุ้งขึ้นในห้องทําให้ผมที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมลืมตาขึ้นมาเห็นเงาดำๆที่มองคล้ายเป็นร่างของชาวต่างชาติสีหน้าทะมึนตึงเหมือนไม่ผูกมิดด้วยเท่าไหร่ผู้ใหญ่สองคนเด็กชายและหญิงยืนอยู่ปลายเตียงสักพักเงาทั้งสี่คนนั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆ ใกล้จนผมเห็นแววตาแดงก่ําใกล้จนผมได้กลิ่นศพมนุษย์ปนกับกลิ่นน้ําทะเลทําให้ผมสะอิดสะเอียนอย่างบอกไม่ถูกผมพยายามหลับตาลงและท่องบทสวดอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลิ่นไม่ได้หายไปเลยกลับมีมากขึ้นอีกกลิ่นเน่าคลุ้งขึ้นมาเรื่อยๆจนผมแทบลืมไปแล้วว่าเปิดแอร์อยู่ผมตั้งใจสวดมวนต์อีกครั้งนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเยซูและทุทกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคยรู้จักชื่อ ผม พ, มพึมพำบทสวดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยปนกันอยู่นานแต่กลิ่นเหม็นไม่มีทีท่าจะลดลงเลยผมหายใจติดขัดขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าไม่รอดแน่แต่ปากยังคงพึมพำบทสวดต่อไปอย่างไม่หยุดประโยคสุดท้ายที่ออกจากปากผมตอนมีสติอยู่คือจะทําบุญไปให้ผมตื่นขึ้นอีกครั้งตอนเจ้านายมาปลุกเจ้านายทักว่าเหมือนผมนอนหลับไม่สนิทเถอะหน้าตาดูไม่ค่อยดี ผมได้แต่ยิ้มให้เจ้านายอย่างล้าล้าไม่กล้าบอกเจ้านายว่าเมื่อคืนผมเจออะไรมาบ่าตอนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมผมแอบถามป้าแม่บ้านเกี่ยวกับครอบครัวที่ผมเจอที่ห้องป้าแกได้แต่บอกว่าอ๋อครอบครัวฝรั่งที่มีลูกสองคนชายหญิงเหรอพ่อหนุ่มป้าพูดพลางเปิดอัล บ, บั้มอัล บ, บั้มหนึ่งให้ผมดูคงเสียช่วงเซนามิดนะรูปนี้ใช่ไหมป้าชี้ให้ดูรูปหมู่ของชายหญิงวัยกลางคนกําลังโอบกอดเด็ก2คนในอัล บ, บั้มนั้นพร้อมเล่าว่า บังเอิญครอบครัวนี้ได้ขอให้ทางโรงแรมถ่ายภาพและอัดไว้ให้แต่ก่อนจะได้กลับมาออกภาพที่โรงแรมพวกเขาก็หายไปกับสายน้ำซะแล้วผมคิดว่าผมจําเงาร่างของเด็กผู้ชายคนนี้ได้จึงตอบรับป้าไปป้าได้ไดเล่าอีกว่าครอบครัวนี้มาที่พัทยานี้ทุกๆปีและพักที่โรงแรมแห่งนี้เมื่อก่อนพวกเขาเป็นคาทอลิกที่เคร่งศาสนาแต่ตอนหลังได้เปลี่ยนไปนับถือพุทธและทุกปีที่มาเที่ยวที่เมืองไทยมักจะตระเวนทําบุญกันเสมอเสมอ ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมท่องบทสวดเป็นภาษาอังกฤษและสุดท้ายประโยชน์ที่ผมพูดกับพวกเขาว่าจะทำบุญไปให้เมื่อผมกลับจากโรงแรมแน่นอนว่าผมต้องไปทำบุญให้ครอบครัวนี้ผมไปหาหลวงพ่อที่ผมศรัทธาอยู่ท่านพักขึ้นมาทันทีฝรั่รงสี่คนนี้ใช่ไหมโยมผมตกใจว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรท่านจึงเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นครอบครัวฝรั่งสี่คนเดินตามผมมาตั้งแต่ที่รถแล้ว ผมจึงทำบุญไปให้ในคืนนั้นผมนอนหลับอยู่ที่บ้านกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำทะเลและซากศพก็กลับมาทำให้ผมตื่นขึ้นกลางดึกอีกครั้งแต่เวลาไม่นานกลิ่นน้ำกลับเปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของเกสรดอกไม้ผมคิดว่านี่อาจเป็นการแสดงคําขอบคุณของพวกเขาก็ได้ผมนึกไม่ออกว่าผมจะมีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้หรือไม่ถ้าวันนั้นผมไม่บอกพวกเขาไปว่าจะทาบุญไปให้ หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ